เมตตาพิกิคเวเจโตวิมุติญาอาศวิตายาพาวิตายาหูลิกตายาดูก่อนพิกสุทั้งหลายเมื่อเมตตาเจโตวิมุติอ่านบุคคลบัมเพนแล้วภาวะ จาเรนให้มากแล้วญานิกตายวัุกตายาอนุธิตายาทำให้เป็นเครื่องดำเนินทางชายทำให้เป็นเครื่องยืดเหนี่ยวทางชายปาริจิตายสุสมารทายา โอพร้มสร้างสุปารุบด้วยดีเอกาทาสานิสังสปาติกังคาอานิสงสิอย่างอานบุคคลนั้นพึงหวังได้แน่นอนกาตาเมเอกาทาสานิสงสิอย่างนั้นเป็นชะนาย สูขังสูปปีหลาบก็เป็นสุขสูขังปฏิพุทธาตีตื่นก็เป็นสุขนาปาปากังสูปินังปาสตีไม่ฝันร้ายมานุษย์นังปิโยโหตีเป็นเทียราคายของเพื่อนมนุษย์ อมนุสสานังปโยโหติเป็นที่รักใคร่ของเราอมนุษย์เอวัตาราคันติเอวัตตาปุปปัรักษานาสหคีวะวิสังวาสทังวากรรมติ ไปและยาพิษหรือแม้แต่สตราวุธก็ไม่คลำกลายจิตตังสมาธิยิตังมันเป็นสมาธิได้เร็วมุขวั น, นโนวิปัสสิตาติสีนาปองสหายอาสัมมุลลโหกรังการโรติ ไม่หลงสติเวรตายอุตตริงอาปฏิวิชนโตพรามโมกุปะคโคโหตีเมื่อไม่สามารถบรรลุธรรมชั้นสูงในภพนี้ได้ก็ยอมเข้าถึงพรหมโลกเมตายาพิขเวเจโตวิมุตติยา อาเสวิตายาภวิตายาภุริกตายาดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อเมตตาเจโตวิมุต อ่านบุคคลบำเพ็นแล้วภาวนาแล้วจะเริญนให้มากแล้วยานิกตายวัตถุกตายาอนุทิตายาเป็นเครื่องดำเนินทางใจทำให้เป็นเครื่องยืดเหนี่ยวทางใจปาริจิตายสุสมารถาย โอ้รมสร้างสงปาลบอีแล้วเอเมเอกาทาสานิสังสาปฏิกังาติอานิสงทั้งสิบเอ็ดประการ น, นี้คนนั้นพึงหวังได้อย่างไม่ต้องสงสัย อินะมะโวเจาะขขาวพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้อย่างนี้อาตมานาเตปิคูพะวโตพาสิตังอาภินันทุนตีพิสุเหล่านั้นต่างมีใจยินดี ชื่นชมในพระพาสิทิ์ของพระผู้มีพระภาคเข้าวด้วยประการฉันี้แล้วลาพระผูมกัน